เช่ล้ว ในการจัดงานฉลองหรือสมโภชร้อยสาสิบปีมหาวิทยาลัยราชชุดที่ไรรอยสามสิปีเมื่อเป็นโอกาสใหญ่สำคัญมหาวิทยาลัยก็จัดงานหลายวันและจำนวนผู้มาร่วม ง, งานก็มาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศขณะที่เราถวายพาระตาหานเทวีพระสงฆ์พันกรุร๊ปที่นี่ก็ยังมีผู้ร่วมงานอยู่ที่ขอประชุมจุได้ประมาณทั้งหอประชุมเนี่ยสามพันแต่ก็คิดว่าคงประมาณสองพันจัดงานอยู่ที่หอประชุมใหญ่ และยังมีนักปราอุูบาจารยนาชาติที่วิไลนานาชา ต, วานานาชาติวันนี้เนี่ยสั่อ่ะเช้าก็ไปที่วิไลนานาชาติเสร็จแล้วก็ไปที่หอประชุมใหญ่ซึ่งนักเรียนและครูทั่วประเทศมาอยู่ที่นัน่ก็ทานอาหารก็อยู่ที่นั่นจากนั้นก็มาร่วมงานที่นี่ ได้ทําพิธีข้างบนถวายทุนการศึกษาแด่ประสงค์และมอบทุนแก่นักศึกษาต่างประเทศ3ล้าน 200,000 บาทหลวงพ่อพัฒทันตะติโล ก, กับพิวังสากพ ร, ระมหาบดิน ท่านะสมจากอํานวยพรทั้งบมดเวลาไม่พอท่านมาจากธรรมะมาร่วมกิจกรรมที่นี่และเมื่อทราบว่ามีโอกาสการขบุญใหญ่ก็นนี้หมดท่านมาพบพวกเราตรงนี้ให้สีให้อรพวกเราด้วยกันแค่วันเดียวเนี่ยมันจะเท่าวันนี้เนี่ย มหาวิทยาลัยได้ชักชวนท่านทั้งหลายมาเป็นบุญเป็นบูญสอนในสามสถานที่ทั้งแก่พระสงฆ์ไทยและต่างประเทศเป็นกิจกรรมที่ใหญ่มากสมกับที่เราจัดสมโภชร้อยสามสิบปีมหาชุลา ใหญ่ทั้งปริมาณคนมากทั้งคุณภาพผู้มาร่วมงานระดับนักปราดราชบัณฑิตทั่วโลกนักเรียนผู้สนทั่วประเทศได้บุญกุศลใหญ่ตั้มารับคนแรกเกิดนี่ยเออเออแบ่งให้นิดหน่อย มาจากห่องคงมาร่วมสมเด็จครับส่วนท่านที่ทัามาท่านแต่ต้นก็ประกอบไปด้วยคณะมูลนิธิโพธิวันนานำโดยดรแม่ชีนัฐยาวัลเปรสกุล ไม่ใช่มีในฮ่องกงคณะดรแม่ชีทศพลวชิรบำเพนคณะฮ่องผมอีกรอบเด็กแม่ชีทองสุขนามเจ็ดสีคณะแม่ชีระเบียปียะธิรยานีจากจุลมณีศรีสเกต คณะต่างประเทศมีพระธรรมอาจารย์จิ้งซินที่และอาจารย์จิ้งจิ้งจากไต้หวันและวันนี้ที่ถวายพระตาหารพระสงฆ์ทั้งหมดและจะถวายปัจจัยร่วมบาเพ็ญกุศลในวันนี้คณะของดรสักชัยดรสุดาวันเตชะไกรศรีและครอบค ท่านทั้งหลายที่เราทําบุญใหญ่อย่างนี้มีหลักสี่การสี่อย่างและสี่อย่างนี้พระเจ้าอยู่หูทบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙พระบาทสมเด็จพระบรมิน ท, ทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงทมเป็นแบบอย่างมาทั้งชีวิตของโลก4อย่างคืออะไรหนึ่งที่ขาดช่วยเติมให้เต็มสองที่เต็มให้รู้จักพอ 3. เมื่อพอให้รู้จักแบ่งเมื่อแบ่งก็ต้องให้ ทัวถึงเต็มขัพตลอดชีวิตของโรกท่นรัชการที่การตรงตรงไหนขาดส่งเติมให้เติ ม, ตมอะไรพัฒนาคนคนขาดในสามเรื่องโง่ จนเจ็ดโง่ขานความรู้ทรงเติมด้วยการศึกษาจนทรงมีโครงการพระราชชนริหลายพันโครงการแม้กระทั่งฝนหลวงให้คนได้ทำมาหาเลี้ยงชีพแก้จบเจ็ด มีโรงพยาบาลมีสาธารณสุขเหนื่อยตลอดเจ็ดสิบปีที่ครองราชเติมให้เต็มเพื่อให้คนช่วยตัวเองได้แบบมหาชนกมีวิริยะบาลีช่วยตัวเองมหาชนกว่ายนะ้ำไม่หยุด คนที่โง่ที่จนที่เจ็บโง่ก็ต้องเรียนหนังสือจนก็ต้องทำงานเจ็บก็จะต้องรักษาสุขภาพออกกาลังกายในหลวงไม่ได้มาดูแลร า, ายละเอียดทั้งหมดแต่ต้องการให้พวกเราช่วยตัวเองและทรงสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่าง ทำให้ประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยลุกขึ้นก้าวเดินในรัชสมัยของโทกจากประเทศที่ด้อยพัฒนาะเป็นประเทศที่มีรายได้ปางกลางระดับสูงเจ็ดสิบปีนี่เปลี่ยนประเทศเลยไม่ได้เปลี่ยนเพราะทรงทำงานเอง แต่ทรงสอนให้คนช่วยตนเองเติมให้เต็มภาษาคนาทเขาเรียก empower ทำให้เก่งทำให้มีพลังอย่าเชออยยาชาที่ไหนขาดเราเติมให้เต็มมหาเจราช่วยเติมความรู้ให้พระผู้โลก ท่านจะได้มีความรู้ความสามารถรับภาระพระศาสนาเมื่อท่านเราเติมความรู้ให้ท่านเติมให้เต็มท่านก็ต้องรู้จักพอพอใจในความสำเร็จเชื่อมั่นตนเอง ในหลวงรัชากาลที่9้าเรียกว่า s u f f i c i e n c y economy พอเพียงรู้จักพอใจพอเพียงเต็มเมื่อรู้จักพอก็ช่วยแบงเรามีความรู้แล้วอยากเก็บไว้คนเดียว แบ่งปัดในหลวงสอนให้คนไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งความรู้แบ่งความมั่งคัง่งแบ่งอำนาจอยู่ยางพี่น้องรักไข่กลมเกลียวสมัยหนึ่งชาวเขาได้พัฒนาทรงพาไปช่วยพัฒนาชาวเขา ภาคกลางน้ำท่วมจะรปัญหาจราจรช่วยแบ่งขันและเวลาที่แบ่งต้องเป็นธรรมไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชั่งพระองค์ไม่ใช่เป็นในหลวงขบวนข้างตาใีย่ไม่ใช่ในหลวงขงคนข้างเหนือไม่ใช่ในหลวงขบวนข้างใต้ทั้งหมด ยุติธรรมใครมาที่มหาจุฬาไม่ว่าจากประเทศไหนไม่ว่าเป็นใครมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะได้รับการเอาใจใส่จากคุบาจาร์ที่จะได้รับการดูแลอุป ร, รมบท ร, รุง ไม่เลือกที่รักมักพิยชัดมีทุนการศึกษากระจายทั่วประเทศทั่วโลกอาคารสถานที่ทั้งหมดสร้างมาจากผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองเต็มก็มาแบ่งมาบริจาคพัฒตาหาน ทุกมื้อได้มาจากผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองพอเพียงก็มาทำบุญถ้าท่านทั้งหลายไม่รู้สึกเต็มอิ่มจกไม่อยากบริจาคไม่อยากทำบุญเมื่อเราทำบุญเรามีความสุขจากการเป็นผู้ให้ และก็รู้ว่าผู้รับนั้นก็จะไปแบ่งปันต่อไปพระท่านไม่ได้ฉันเฉยๆเรียนหนังสือมีความรู้มีความสามารถท่านก็จะไปประกาศพระศาสนาอย่างจิงและดนเดยนของท่านเากับเราบูรษำบำรุงพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก เพราะคนรู้สึกกันอย่างนี้ที่ขาดช่วยกันเติมช่วยกันถวายช่วยกันอุปถัมภ์ที่เต็มก็ให้รู้จักพอและแบ่งปันแบ่งปันอย่างเท่าเทียมมหาจุฬาเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมนี้ตามรอยพระยุคลบาท เราเชิญชักชวนผู้ที่รู้สึกเต็มผู้ที่รู้ึกพอมาช่วยกันสร้างคนเล็กคนน้อยตะกูลเตชะไกรศีมาสร้างอาคารเรียกว่าปิยมหาราชอนุสรก็คือมหาจุฬาบรรพการปัจจุบันหนึ่งหลัง แล้วก็จะถือโอกาสมาทำบุญทำกุศลชักชวนตั้งแต่ลูกหลานเหลนปลูกฝังจากห้องกงแม่ชีทองสุขพากันมาทำบุญแบ่งปันมูณิที่ร่วมกับตันยูตั้งแต่ต้นชักชวนมาแบ่งปันโพที่ว น, นาแม่ชีทศพร เม่เชนทมสุอยังเดียวกันหมดเหมือนพระพรหมบดินวันเกิดวันนี้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธาถวายทุนพระนิสิตต่างประเทศบริจาคไปข้างบนสามล้านสองแสนบาทไม่ใช่เงินพระพรหมบดินแต่ได้บุญเจ็บ ถ้าไม่รู้สึกเต็มไม่รู้สึกพอเสียดายเหมือนกันนะาล้า น, น้สคู่ัน้เียาา น, น, น, น, น, น, น, นมเไ่หรอาล้านแบ่งบ้างสิเพราะฉช่หรืผคู่ให้เมื่มอวัด เมื่อให้สิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบที่คนอื่นชอบก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่ชอบตอบแทนเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้สิ่งที่มันาปทายีลภเตมะนาปะให้สิ่งที่คนอื่นเขาถูกใจพอใจเราก็เกิดความถูกใจพอใจ และทำอะไรก็จะสมปราถนาเสมอไปสิ่งที่ประเสริฐคือพระธรรมทำสันสอนเราได้จัด ก, การเรียนการสอนและทุกท่านมาสนับสนุนมาตรฐานให้ คำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแพร่กระจายไปทั่วโลกที่นี้ทาเมื่อไรสนับสนุนเมื่อใดเรามีความสุขเมื่อนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้พรสี่ประการอายุวันนะัสุ ข, ขะภลา อยากได้อายุที่ท่านปราถนายืนยาวอายุโทพละโททีโรวันนโทปฏิภาณโทอยากได้อายุท่านก็นต่ออายุให้พวก อ, อื่นด้วยการถวายพระตัางหานถวายยารักษาโรคถวายยตุ่มปัจจัยไหย้แก่า วั น, นโทโหติวัฏโทอยากจะได้ผิวพรรณสดใสผ่องใสถวายผ้ากาสาพัดพระสงฆ์ผ้าเหลืองราศีผ้าเหลืองจับเป็นวันนะขผ่องใสเราก็ได้วันนะเป็นอาณิสต์อั น, นโทโหติภาละโทถวาย ข้าวปลาอาหารพระได้กำลังพวกเราก็ได้พละงกำลังกายกำลังใ จ, งใจเป็นอาริศถ้าไวายความสุขความสะดวกสบายทําให้ท่านเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกทํางานสะดวกเราก็ได้ความสะดวกความสุขเป็นอริศ วันนี้ได้มาร่วมกันถวายอายุวันนะสุขาภละแด่พระสงฆ์พวกเราทุกคนก็ได้อายุวันนะสุขาภละเป็นอาณิสงสุกคนุนพิเศษกว่านั้นซึ่งไม่ค่อยมีที่ไหนมีที่นี่เป็นหลักคือ ปัญญาปฏิภาณอายุวันณนะสุขภาระปฏิภาณถวายปฏิภาณคือปัญญาอันเกิดจากการศึกษาธรรมะเราก็จะตายเป็นผู้มีปัญญายิ่งใหญ่เป็นอานิสงศ เพราะฉะนั้นวันนี้ในโอกาสอันเป็นมงคลจึงได้ชัดชวนท่านทั้งหลายมาทำบุญร่วมชาติตัก บ, บาทร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างปูสงร่รวมกันไม่ใช่จะพาะในประเทศไทยแม้กระทั้นหลวงพ่อสยดาดอกก็มาทำบุญกระรา เราก็จะได้เพิ่มบริวารสัมปรทานไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะมีคนคอยช่วยชูชุก ป, ปูประถมตลอดกาลดังนั้นพร้อมกันทุกประกาศพรทั้งห้าประกาศบริวารที่เราได้พร้อม ได้มาเกิดนักที่นี้เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในฐานะที่มีส่วนในการชักชวนท่านทั้งหลายมาทำบุญทำกุศลตามรอยพระยุคลบาทของรัชกาลที่เก้าหาเราช่วยเติมให้เต็กเต็มให้รู้จักพอ พอให้รู้จักแบ่งแบ่งก็ให้เป็นถม่มเรารำลึกนึกถึงพระองค์ท่านวันนี้พร้อมใจกันก่อนจะถึงโอกาสการถวายพระเพลินพระบรมศรในวันที่ยี่สิบหกตุลาคมเดือนหน้าเราทาบุญใหญ่วันนี้พร้อมใจกัน ปุทธิษ์ถวายเป็นพระราชาภูสณตอบแทนพระคุณของพระองค์พร้อมกันณปัจปุบันอมินากระตะปะุญเยนะด้วยอำนาะจแห่งภูษณผลระลลบุนี้ขอถวายเป็นพระราชระาะูาณ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลธ์อดุญญาติเพื่อทรงอนุโมทนาบุญเพื่อทรงอนุโมทนาบุญสำเร็จเพิ่มเป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปสำเร็จเพิ่มเป็นบารมีธรรมยิ่งในสัมปรายภพ สมดังเจตนาปารกสมัเจตนาปารกทุกประการทุกประการอนหนึ่งอนึ่งขออำนาจแห่งบุญกุศลนี้ขออำนาจแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นปฏติพรย้อนสนองจงเป็นปิพรย้อนสนองให้คณะท่านเจ้าภาพทุกท่านให้คณะท่นานเจ้า เจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันนะสุขาพลัปฏิภานธร ร, รรมสารสมบัติธนศรรารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธร ก็ให้พันสำเร็จให้นสำเร็จสมโนรถสมโนรถมุ่งมาปราถนามุ่งมาปราถนาคุปปการเทิดปการเธอเอาละตั้งใจกวดน้ำรับอรอนนะเป็นภาษาบาลีต่อไป